ไม่หน่อยไอ้ทีเราหยุดใจแม่ก็แคก็จันแมันอยู่แบบเขาดีกว่านแต่มันก็สบายงมันอนหนึงนะมันก็คำดีของมันอยู่ถ้าเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำแต่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วย ดูยิ่งมันมีอะไรอย่างนี้ในหมาตัวหนึ่งนีง่เรียนธรรมะให้กันอย่างนี้ถ้ามันเห็นมันทะลุไปหมดค้านวิจ้าได้อย่างไถ้าลงได้รู้ตามทำวิญญาณทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเท้ของจริง แ, แท้แท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนจิเหลียมที่หลอกอตอกตลอดเวลาทุกขณะ ทุกขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งอยู่แต่ทำแล้วจริงนะแม้ตั้งแต่ส่วนหยาไปถึงส่วนละเอียดเจียฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้ยวยความรู้แล้วเห็นแล้วน่ะเหรอจิตอยงนี้มันสำคัญ่ะคราวนี้พายในจิตใจแล้วมันเอาเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มามาเป็นตัวของตัว จ, จนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดไง ตัวของเรานี่ยเป็นเราเป็นของเราไปงหมดเลยไม่หนูทำมันวนาทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดับนะแล้ว เ, เวิกออกหมดทั้งออกหมดนะอนนี้นจะอยู่ในร่านนั่นก็ตามเอ็ีมันก็รู้นะ นี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนัน่นมันก็รู้เองอ ไ, ไม่มีใครบอกถ้าลงในะพิจารณาตามพระยาทรงสอนเนี่ยอริยสัจเนี่ยหรือติีประธานสี่นี่แยกธาตุนันเนี่ยวิชาแยกธาตุน่เนี่ยพิจารณแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์ เราดูเราทำาังไงดีให้หลงเมื่อก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทํายังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อออยากรู้เท่าไหรมันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นแล้วอยากถึงเท่าไรมันก็ไม่ถึงให้ก้าเดินไปเถอะอืก้าวก้านี้ต่อก้านั้นก้านั้นต่อก้าวนั้นไปมันก็ถึงเด่นนี่คือมันการการพิจนรณมันต่อก้าวนั้นก้านี้ไปเช่นเดียวกันนะ แล้วก็รู้เองจี่นี่เมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วทําให้หลงยังไงก็ไม่หลงนั่นถึงว่าทําของจริงให้หลงอะไรมันก็มันก็เป็นอย่างที่ว่าอย่างริ่งปู่ย่าท่านสอนไว้อย่างนั้นท่านเห็นแล้วนี่เวลาที่นาเราไปเจออย่างนั้นแล้วจะจหาสี่ทานจะทำยังไงได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้จริงมันต่อสู้ครู่ปู่ย่าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยพิเรศพิเรศกับธรรมมันเป็นค่าสี่กันมันต้อง ขัดท้ามตามทางตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดยแย้งทำอเอ้าเลยวิ่งเลยต้อเหนื่อยเท้าสองคนนะตัวเทศโจมันเหนื่อยอยู่ภายในทําไม่เหนื่อยเหมือนแบบินก่อนๆแต่ตะก่อนโอ้โหเทขนาดนี้สลบไปเลยนะไม่ได้นะอันนี้มันเหนื่อยภายในก็นรู้สึกว่าเหนื่อยแต่มันไม่เหนื่อยแบบนั้น เงิไไนภายในต้องปู ม, มันมันจะค่อยเลื้อยไหลไปเลื้ายไปายไปที่วิตรงมากี่สุดก็คือที่ไฟฟ้าเข้าไปวัดเนี่ยลมตกคือตกมากนะมันจะไม่นานมันจะมีเทวทัศน์เข้าไปวิดีโอที่สำคัญมันชอบชนี้ไหนมันจะหามา อี่ที่หามาตั้งแต่อย่างนรกจกเปรตท้งนั่นหมดจริงๆนะถ้าลงอันนี้ก็ได้เขาวัดแล้วหมดนับภาวนาเราไม่มีเหลือนะ่ะพูดได้ขาดตัวเลยแล้วก็ล้ ก, ก, กันอยู่แล้วลูกกันคัดๆอยู่แล้วอย่างผุญอามายก็แสดงว่าตั้งหน้าตั้งตาหน้าด้านจริงจรินบนง่าย ทำลายจะเนน้าจริงจริงม่เอาเข้ามามีอะไรไฟฟ้าไฟดินเราใช่มาจาพอแต่แม่แล้วไม่ม่หมดทดมันทีมีอะเห็นพิเศ ษ, ษวิโสอะไรครับไฟสว่างความสว่างอัะนะนั้นไม่เห็นพิเศ ษ, ษวิโสในใจสว่างอะไร เห็นไฟสว่างดีกว่าใจสว่างอันนี้ที่สำคัญทำไม่อดคิดไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นแน่ๆรอจังหวะอย่แค่นั้นเองเวลานี้นะพอได้จังหวะแล้วก็หมดเลยปึบเดี๋ยวหมดไม่มี เ, เดี๋ยวที่นี่หมดคำว่ากรรมฐานอย่าถามถึงเลย ว่าได้ชะตาอย่างนั้นถ้าลงมา น, นี่เลยเข้าเลยควาว่าคำประธานยาไปถามทึ้งเลยอ่อ๋อมันเรื่องเล่นเมื่อไหร่อันนี้เทียวทัดโกงๆเดียวมารนร้อยเปอร์เซนเดียวไม่มีคําว่าเลี่ยงๆไม่มีคำ ว, ว่าอ้อมๆตรงเป่งก็ไปใส่พ่วงหัวใจเลยพ่วงหัวตับเืลยขาดตะบันไปหมย เดือดทับเทิดมีโ อ, อ้ี่มันไปเอาอะไรอไรมามันจะได้แล้วนไปหาเอามานี่จริมันมันง่ายที่สุดอันนี้แหละทำมาที่โต ว, วิจาร์ใครทำมาเอากินวิจังกินไปไม่รอดนะเราต้องจะเด่นี่เหนียว ม, มากนะละเอียดมากทัานพูดแล้วนั่นส ล, สลับซับซ้อน โอยช่วงรอยนี้ไม่ทันนะมันเร็วขนานั้นะเราไม่ทันจนกว่าสติปัญญามันเหนือมันนั่นนั่นที่ที่เห็นอันนี้ก็คือเมื่อมันเหนือแล้วมันก็เห็นถ้าไม่เหนือนไม่เห็นไม่รู้นี่เวลามันเป็นมันเป็นมาได้ใครก็เป็นด้วยกันทั้งนั้นเป็นที่บางที่ฝูดนีมันไม่เห็นอยู่ไม่รู้อยู่ว่าไงก็ปล่อย้มันเหยียบย่ํำมัน แบ่งสั้นเป็นส่วนกินมีมั่ง่นนะอย่างน้อยแบ่งชั้นเป็นส่วนกินมากอันนั้นบีบคอพวกเราพวกมันบีบคอกินไม่ใช่เป็าแบ่งสั้นเป็นส่วนแบ่ง้นเป็นส่วนมันให้เกียยติบ้างใชนั้นมาขอแบ่งมันมาบีบคอกินเลยพวกเราพวกถูกบีบคอกินแบ่งกินนี่น่าทุเรศ น, นะผมพูดจริงนดังว่าใจของผมนี่มันมันเป็นอย่างผมพูดนะ ถ้าเป็นอย่างคนหรือใครมาเป็นคู่กรรมคู่เวรกับเรานี่โอ้ฆ่าได้อย่างพินาศเลยไม่จะทกขะทุะทานเลยนะกีศพยังไม่รู้จุดตัวว่าได้ฆ่าคนความเพียรแท้ว่างั้นเถอะนะเพียรแท้ในกิเลสถึงขนาดนั้นเถอ น, นะเพราะงั้นถึงกล้าพูดที่ว่าผูริีเจ้าต้องเห็นโทษ ด, ด้วยความถึงปไทยออืเห็นจริงๆทําไมจะไม่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจับเหมือนกับว่าจับฉุดลากไม่ค่อยก้องไฟนั่น่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าฉุดลากมาอย่าง เต็มกําลังเลยคนหนึ่งไม่รู้สเสื้อซ่ากําลังจะเข้ากลองไฟให้จับมือได้จับแขนลากออกมางี้เลยอย่างแรงๆแรงนี้มันก็ไม่มันไม่มันไม่หนักเหมือนที่เข้ากลองไฟทั้งกล่องแล้วมันหมดเลยนั่นอันนี้ลากมานี่จะเป็นอลไรไปนั่นเนี่พระเจ้าสั่งสอนต่อโลกคนตั่งสอนนันจริงๆพอท่านเห็นหมจริงๆนี่ปิดตาอยู่ จีดดวงนี้อะวลานเปิดอ่ะแต่ความต้งการท่านกับความมากของเมตตาท่านก็บท่านก็มีธรรมควรจะช่วยไดหนักเบามากงน้อยเป็นไรนั่นท่านก็มีขอบเขตขท่านอีห่ะระวังไงนั่นท่านจะถูจะลากแต่พัดตะพือคนหูหนวกตาบอกก็จะลากไปหมดได้ไงคนที่ควรลากก็ลากที่ไม่ควรลากก็โอ้ถูกวิสัย่ะ อย่างที่ท่านว่าพวกดาวโหทั้งสองอโอ้น่าเสียดายนี่เนี่ยตายเลยเสมอแล้วมันเย็นวันนี้น่าเสียดายนี่คือมันสุริสัยมันมีความเมตตาก็อยู่ในขอบเขตที่ควรจะเป็นไปได้แล้วเมตตาเมตตาสงสารเมตสงสารโอ้ใจตรงนี้ไม่ใช่เรืน่อนะ ไม่มีกล้าพูดไม่มีอะไรมากนักกว่าการเกิดตายเกิดตายของจิตเปละดวงละดวงนี้มากจริงๆยังยังยังไม่กำหนดอีกนะเนี่ยที่ถ้าแก้มาได้มันจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดนั่นฟังสิภาษาบาลีผมลืมนะอนามติตโว่นว่าในนัในบาลีนี่คือไม่มีแม้ต้นเงื่อนตายเลย ห้ยร่ำมันหน้าบางนี่ฟาดมันแหมกฟาดกลางหลังมันแหมขันไปยังจับคว้านไว้ดึงไว้บางนี่ไปหลังมันหน้าหลักนั่นหลัรวดนี่เรื่องจิตวิญ ญ, ญาณ น, นี้ใหม่ชัดโลกทั้งหลายทั่วแดนโลกกัท่านนี้ใครไปเห็นวิญ ญ, ญาณเจ้าของเปน็นย่างนันวิญ ญ, ญาณคนอื่นเป็นยังไฟังสิพระเจ้าทำไมท่านเานห็นนี่พระอาจาย์ท่านจากิจารณาตรงั้น เคยเป็นมาอย่งไรเห็นหมดแ้วสอนเราสอนแบบชูแบบล่างสอนแบบถึงใจถึงใจเพราะเห็นมาแล้วอย่างถึงใจไม่สอนธรรมดาเป็นปีสุดเท่าไหร่มันก็ทุกแค่นี้ทุ่มลงไปความเสียดายอะไรต้องตับมันสีดายเท่าฟ้าเท่าปดีย๋ยวนี่ต้องตัดต้องตัด นี่คือว่าต่อทู่วกิเลสต้องฝืนกันฝืนกันมันจะดูไม่ดูนั่นมันจะฟังไม่ฟังนั่นถ้าขึ้นชีวิตจะเป็นการส่งเสริมกิเลสที่จะทําให้กิเลสเกิดแล้วไม่ดูไม่ฟังเป็นต้นถึงไหนถึงกันเป็นในเป็นกันสิ่งเหล่านี้มันเคยมาแล้วผู้ปฏิบัติแล้วเราเองนี่มัต้องพูดแหละมันฝืนแสนจะฝืนนีมิจะฝืนเอย่งางนี้ถ้าไม่ออกข้างนอกก็ฝืนอย่างนี้ ตัดกันผึนผึงผึงท่านที่ให้ลบดีก็อยู่นั่นมันจะไม่ได้ฝืนนี่มากไปถ้าอยู่ในกระดานมันจริงๆแล้วก็มันเจอกันอย่ตเวลากระทากันอยู่ตเวลาใครจะไปฝืนทนอ่ะว่าให้ดีก็อยู่ในป่าในเขาดูให้มันไปดูต้นไม้นัดูต้นไม้กับดูผู้คนหญิงชายวัตถุสินของเป็นยไง นั่นใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าะพิจารณาเรื่องของนี้น่ะเรื่องของเล่นๆ เ, เมื่อไหร่ตัดออกตัดออกตัดออกอะไรที่จะเพิ่มเชื้อไฟตัดออกตัดออกไม่ให้เข้ามายุ่งส่วนที่ยังมีอยู่อาพยายามดับมันนอย่างงั้นนะงนูไล่เขาไปในป่านนัเขาเพื่อกกันอันนี้นตาเห็นต้นไม้ภูเขาเป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอันหนึ่งเนี่ยตาเห็นรูปหญิงรูปชายรูปพระ ด, ดูสิ่งของเป็นอย่างหนึ่งนั่น เสียงเสียงสัดเสียงอะไรไปทบกข์กันกันดินฟ้าอากาศไม่เห็นเป็นอะไรอเสียงหญิงเสียงชายเสียงดุเสียงด่าเสียงว่าเสียงสนเสรนินทาดูสิเป็นยังไงนั่นมันมีแต่พลายรอบด้านรอบด้านจมูกเอาขี่ดมอะไรกันมันเอาเข้าดมหญิงดมชายกันไปขี้เป็นบ้าไปเลยนั่นบ้ามันจะชัดอย่างนี้สิมันต่างกันอย่างนี้นะตอนนี้ไ่ได้หรือจะมันยุ่งนะไม่ได้นะมันจะมาเสริมนะจริงอันนี้มันเคย หารโรกมันมากต่อมากแล้วรวมกับเราด้วยนีย่คนหนึ่งพ้นแต่ไหนวะพูดง่ายๆว่าไล่เขาป่าเนีย่ยเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วมันก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแล้วจว่างถ้าเชื่อก็ไปได้เพราะนอกกับไปในป่าแล้วต้องมีเครื่องดับกันด่านอยู่อย่างโกกัวเนี่ยมันก็เคยแล้วนี่ที่พูดมาทั้งหมดมนั้มันมีแต่สิ่งที่เคยมาแล้วนั่นดับกันดับกัน โมกกุกลัวแล้วไม่ว่าจะเฉยๆธรรมดาในะดูเฉยๆถึง้วกังวลที่มันเคยผ่านเคยเห็นมามันยังไม่เป็นอารมณ์เรื่องความกลัวมันเป็นธรรมจริงเนี่ยมันพลิกอีกเข้าไปอีกพักย่างหนึ่งอยีกนะไปสู่สถานที่กุกวัวมันพลิกไปอีกแง่นึ่งพลิกเพื่อความเป็นธรรมนะเนี่ย มันก็เห็นได้ท่านกล้าเป็นตัวกลัวจปนตัวสั่งเวลาแก้ได้กล้าเป็นตัวสั่งเนี่ยมันเห็นได้ทันแล้วมันจะพูดไม่ได้ยังไงคนเราเมื่อเห็นประจักษ์หัวใจแล้วพูดไม่ได้นี่เลยว่ามันเป็นอย่ า, างนั้นจริงจริ่จังกําหนดดูจนกระทั่าทางถึงว่าหมดทั้งโลกอันเนี้ยมันกลัวอะไรใหม่โน่นนะเวลามันกล้าจริงจริงถึงขนาด น, นั้นแล้วเอาเอามาเทียบคือคิดดูว่าในโลกอันนี้มันกลัวอะไรมีไหมไม่มีเลย เอาต้นขึ้นมาเสือเดินขึ้นมาที่ไปเลนเดินเข้าหามันได้เลยเมื่อน่ะทั้งนี้งูมานี่ไปยัไงเดินขึ้นไปได้เลยอะไรก็ตามว่างั้นคุณยังไงได้ทั้งนั้นเลยไม่มีความมั่นสุขทานแต่ความจริงนี้เสือจะกินงูจะกัดกันมันมันก็เป็นอย่างนี้หนึ่งนะแต่เรื่องความกล้ากล้าเนี่ยมันกล้านั้นเขามัายิงไม่มีกลัวอะไรเลยนันเวลาดัดได้เห็นไหมขณะก่อนมันเป็นตัวสั่งมันกลัวขณะหลังนี้มันตัวสั่งมันกล้านั่น คือยิงแก้กันอย่างนั้นไมให้เขาไปอยู่ในป่าเนีเขาแต่ขั้นพฤติการก็มีเสือกินพระก็มีขั้มอะไรในปากเสือก็มีนะในตำรานี่นั่นคือท่า น, น, นมีธรรมานสูงแล้วจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วท่านไม่กําหนดว่าเป็นสัตเป็นเสืออะไรแหละข้าลงขนาดนั้นได้นะยิดขนาดนั้นหนีนี่ให้มันเป็นในหัวใจเจ้าของสิกิดขนาดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีเสือมีเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วมีสัตว์มีเสือที่ไหน นี่จาตุอะไรคะว่ากินกับที่ธาตกินทาตุอะไว่างไงพราะเรื่องนีปรัสนามันเป็นเองนี่เมื่อมันถึงขั้นเป็นเองแล้วจะปรุงให้เป็นเสือเป็นยังมันก็ไม่เป็นไงมันก็ไม่เป็ี่ยนเลยว่างนะอืมพุงให้เป็นยก็เป็นหลักธรรมชาติเมื่อสติปัญญามันทันมันเป็นตัวของตัวแล้วเพราะเป็นธาตมันธาตุอะไรนี่ว่างไงเอาเขาจะพูดถึงเรื่องมันว่างเหมือนกันถึงว่างมัน ปรุงพองเขาบอปรุงว่าเสือนี่เพราะแพ็ปมาเป็นภาพเสือบั๊ดับปุ๊บเลยนะมันออกจากนี้ไปปุุงนั่นมันปรุงพับออกจากนี้แล้วดับเสือที่ไหนมีอถ้าเสือมีจริงก็มีสิจะอะไรไปท่านขอท่านอะไรท่านเราท่านอะไรมันแยกของมันมีงั้น่ะมันก็ทันกันเลยสิเพราะมันเรื่องสติปัญญาเนี่ยอไม่ขึ้นอยู่กับใครแล้ยนะ ขอให้นำมาใช้เวลาจําเป็นเป็นได้จริงจริงนี่พลิกในรูปกี่สันพันคมเลยนะไม่งั้นมันจะทันี่เดดได้หอเพราะกิเลสมันออกมาแบบนี้ออกมาที่ว่าหรืเป็นแบบของกิเลสเช่นว่าเชื้อมาอย่างนี้ทีนี่สติปัญญามันตักให้ถ้ามันจะแยกเป็นธาตุก็ธาตุแต่อยู่กับเราเราเห็นกลัวเพราะลัวอะไรนะก็บธาตุอนหนะอันหนึ่งมันว่างซะหมดอีกเมื่อมันถึงขั้นมันว่างมันว่างปรุงภาพั้มันดับเลยจะปรุงให้เป็นเสือมันก็ไม่เปลี่ยนจะว่างเป็นได้เชื่อ แยบหนันเหมือนฝ้าแมพตอนที่ภาพเป็นภาพของเสือแยกดับพุ๊บที่นี่มันก็ไม่ได้ว่าเสือมาจากโน้นนี่มันก็รู้ว่าอันธรรมชาตินี้ออกปรุงออกไปเนี่ยเป็นภาพหลอกเจ้าของเนี่ยภาพแป๊ดับพุ๊บสั่นมันก็รู้อย่างนั้นเสือจีบอะนั่นเมื่อมันมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นนีะเป็นดับธรรมชาติเนี่ยขั้นปัญญาขั้นใดมันเป็นเป็นเป็นเป็นเนื้อเลยถือนุงไปก็นั่งก็ไม่ได้ ปุ่งปั๊บมันไม่ออกเลยเหมือนกับดึงสายยางมันไม่ออกดึงที่แรกดึง น, นี้ได้ตับต๊บตั๊บเมื่ซ้ำเขาซ้าเขาคือเราซ้อมฝึกซ้อมนี่แหละเรื่องของสติปัญญาฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมสิ่งที่เป็นค่าศึกนะมันเป็นการลบค่าศึกเป็นการฝึกซ้อมในอยู่ในตัวของตัวเองน้ามวยเหมือนกับเมื่อเมือม่อเคยต่อเวทีมากต่อมาแล้วมันก็จัดเตรียนในเวทีนะอันนี้มันก็จัดเตียนในการต่อสู้ี่เหลือมันก็เป็นอย่างเดียวกันเนี่ย เหมือนกับเป็นการฝึกซ้อมไปในตัวในการลบนั่นเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมความจัดเก็บไปในตัวเป็นอย่างนั้นอืพอถึงขั้นมันว่างมันว่างไปหมดมันมีอะไรอ ม, มันว่างในหัวใจถึงคือตัวดวงใจจริงยังไม่ว่างมาตามนะมันก็ว่างรอบตัวไปหมดตอนที่หัวใจยังไม่ว่างมันมีมันมี พอใจได้ว่างตัวเองเราวท่านนีงหมดปัญหาละมันเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นความมากสำหรับเรามัน เ, เป็นมาอย่างนั้นเราก็พูดอย่างนั้นนะต่ว่าถูกก็ผิดใครจะว่าบ้าก็บ้าสิก็เป็นมาอย่างนั้นนี่ปิบัติมาอย่างนั้นไม่ได้เรียนจากใครไม่ไดเรื่องนี้มันเป็นที่มาในเรื่ข อ, อของเพราะการฝึรกกันเอื่อของมันมีแนวเหมือนกับว่าไฟมันได้เชื่อนี่นนนเชื่อไม่อยู่ที่ไหนมันก็ลุกลางมมันไปเรื่อยๆจะมีครูมีอาจารย์สอนมันหรือไม่สอนมันก็ตามสิ เชือกอยู่ตรงไหนไฟมันจะลุกไปลามไปลามไปตามเชื้อกนะอันนี้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนที่มันจะฆ่าที่เด่นนะพูดง่ายๆที่เด่อมันเป็นเหมือนกับเชื้อกนั่นก็ลุกกระล่านมันไปอย่างงั้นไปจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรจะไหม้เนี่ยนี่หลักสติปัญญาในหลักธรรมชาติมันเป็นแล้วถามใครมันก็รู้อเองอย่างเลยโอาจจะจันทร์เนะเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่ มันไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะรู้จะเห็นมันจะเป็นเป็นในอย่างไม่คาดไม่คิดอาตจารย์พระพุทธเจ้ามาสินะครับตัวทอมหนูนี่มันยังเป็นน้อง่าอะไรถึงพระพุทธเจ้าวะนันไม่เรียนจากใครเป็นในธรรมชาติมันมีของมันอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ที่ฝึกที่หัดที่เรียนอยู่ในัธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะควรไปแหนไหนแหนไหนมันนั่งมีอะไรของมันที่จะไาตาย มาเนี่ย น, นั่นอันนี้รับกันเนี่ยนี่นั่นมาเนี่ยนั่นอันนี้รับกันเนี่ยนี้เนี่ยก็นั่ขึ้นรับขึ้นรับขึ้นรับกันเลยบอกใครมันก็บอกไม่ได้นะถ้ามันไม่เป็ น, นถ้าเป็นเราจะอ๋ออ๋ออันี้เองนะแปลกเนี่ยขนาดที่อยู่กับใครไม่ได้เลยเพลีย น, นะพี่นาย้อนหลังอยู่ใครไม่ได้เลยอยู่คนเดียวเท่านั้นฟัดกังทั้งวันทั้งคืนอ่าตั้งเนี้ นีเวลาว่างไหมล่มันขนาดทีื่ออยู่กับใครไม่ได้ฟังสิมันเสียเวลาทั้งนี้มันจะลุมบองหรเปล่เวลานี้จะไปหันหน้าคุยกัใครได้มันดัง่ายถูกคดปล่อยออกนี่เหลือมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมขนาดไหนมันรวดเร็วขนาดไหนหวยเมื่อปัญญามันทันกันมันถึงรู้ว่าทีเลืมันรวดเร็วขนาดไหนก่อนเราไม่รู้นี่อืมันก็ไว้ือนก็พลายตัวหนึ่งอะไรรูงจมูกขนานั้นก็ไป พวเราเนี่ยหูไมควายตัวหนึ่งไม่รู้บอกคนฉลาดกว่ามันยังไงบ้างมันไม่รู้มันเป็นควายคนจุกจีหมูกมันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ว่าคนฉลาดกว่ามันจุกไว้ไหนกับไปนี่ก็เหมือนกันที่เดือจูมเราเราก็เหมือนควานเราก็ไม่รู้ที่เดือดมันจะไหลนี่ทีมันตุเร่ดน่ะผมโอ้มันจูมไว้ไหนก็ไปเรายังเพินปรามันเรื่อยๆกัดยาวยไปเรื่อยจุกขับยาวยไปเรื่อย กระมันด้วยโอ้ยกระจุ่งไปข้ายังไม่รู้นี่นี่มันจุ่งไปข้าสุ่บบอนข้าเน้าบ่อน้ำร้อนข้าในกระทะใหญ่มันไม่รู้มันกัดญ้าเรื่อยไปคือเพลินไปเรื่อยไปเน่เกี่ยวมันก็ว่ากัดญ้าเรื่อยไปนู่นเลาพัดกข้ามันมันั้งอยู่มันเรียวข้าเรียวข้าเร็วข้า เร็วจากเร็วนี้แล้วมันก็เหนือหนาวแน่ยมันไม่เป็นยงเร็วทันเร็วทันตามทันมันาไปต่อไปก็ทันก็เข้าถึงตัวจีเข้าถึงตัวก็พังสุดท้ายนแยบประมาไม่ได้นั่นทีนี้มันก็เห็นแล้วที่มันเป็นยังไงขนาดไหนที่เดือดมันรวดเร็วขนาดไหนมันแทรกมันซึมอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยโถไอ้ที่แท่ายสู้มันได้มาเลว่ะ ละเอียดยิ่งกว่านั่นก็ไปอี น, นี้มันก็ไม่ค้นปัญญาที่ละเอียกว่านั่นจะทราบปะ่ะเออมันก็ทราบได้ทราบได้ค่าได้พร้อมกันไม่เพียงทราบไม่เฉยถ้าลงปัญญาขนาดนั้นนะทราบและพังพร้อมพร้อมเหมือนกับว่าเผาพร้อมเผาพร้อมอออีกหนึ่งเจือดแชนเลยแล้วทุกข์ที่สุดเลยนาการประกอบความเปลี่ยนชี้นในชี้ของพระนี้ใหม่ การต่อสู้ที่เดียการฆ่าที่เดียรนี่หนักมากจริงๆนะอันนี้ก็เป็นจรัธรรมนะมันลืมไม่ได้ถ้าว่าพูดแบบโล ก, กอลกจริงว่าเน่ยมันเทียบแท้เป็นคู่กรรมคู่เล่นกันเลยเจอกันไม่ได้ว่างั่นเลยเ๋ยวก็ไปเอาเลยไม่มีถอยเอาเลยถ้าเจอกันเมื่อไหร่ถ้าเป็นเขาเที่ยวแบบโลกมัน กูเดือดกูแข้งกันจริงๆถึงใจนะเพราะในทุกกับมันนม่แม่บางทีมือนก็จะตายจริงจะสลบสไลด์แต่มันก็ไม่ถึงขั้นสลบแหละมันนักมันน่กทุกมากก็รู้อยู่ผลอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากความทุกมากอยู่นั่นน่ะนั่นที่เหตุที่มันให้ถอยไม่ได้น่ะผลคือฝ่ายทำต้ังเกิดขึ้นมาจากความทุกมากทุกมากนี่ไม่ใช่ว่าจะทนทุกมากเฉย นี่ยที่คิดเดี่ยวๆงั้นไม่ใช่ทุกมากกับทุกมากแต่ผลที่เกิดขึ้นจากความทุกมากนั้นมันก็มีคือด้านธรรมะเนี่ยนี่ที่มันพอฟัดพอเบียมันไปแต่มันก็อดมันมันมันก็ลืมมาได้อยู่นั่นแหละเรื่องความทุกข์กว่านี้เช่นเดียวกับแล้วลืมไม่ได้เหมือนกันกับผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นจากการทุกมากนั่นนั่นมันเป็นคู่กันอยู่นั่น มันก็เหมือนกับว่าเรตัดขาดสะบั้นหมดในเรื่องที่จะเป็นแปลกมาหนักเบามากน้อยเป็นอะไรภนะาละทั้งแดนโลกธาตุล้วมาแบกอยู่ตลอดฟังสิคือแดนโลกธาตุสามแดนโลกธาตุนี่มันเกิดได้จากนั่นจริงจริงเป็นเหมือนกับว่าแบกทั้งสามแดนโลกธาตุมานานเ ท, ท, ท่าไหร่อันนี้สลอดเปิงออกเลยได้ถึงออกจากนั่นเลงมันทาไมมันจะไม่เบาฟังชื่อ สามดนโลกธาตุมันหนักขนาดไหนนานเท่าไหร่ที่แบบมันแลาต้องจะทนแบกอยู่ด้วยความขี้เกียจที่ข้านความไม่เอาไหนอยู่เหรอก็ต้องเอามาสอนเจ้าของคิดสอนเจ้าขอ ง, อ, ข อ, งอุบายต่งางๆดีตัวสลัก อ, ออกจากภาลันหนักในสามแดนโลกธาตุนี้ผึงออกนั่นเป็นยังไงที่นี่เออนั่นแหละวุฒิยาขัน อ, นออกขนอกอย่างนั้นภาษาว่าขออน อ, อกขนอง น, นั้นภาษาว่ามีจุดหมาไปลายทางมีภาษาว่ามีหลักก็เกินหลัก มีอะไรก็เกินนั้นเสียเกินสมมติไปซะทุกอย่างว่าไงฮั่นเป็นกตายอะไรอยู่ที่ไงมันก็มีอยู่เป็นประจำเงั้นธรรมดามันก็เป็นมันก็มีอยู่มันหมดถ้าพูดถึงว่าอารมณ์มันก็หมดอารมณ์ที่ว่าจะพึ่งอะไรมันก็แหมก็มันพอแล้วพึ่งอะไรเนี่ยเป็นอย่างงั้นมันประจักษ์อยงนั้นมันจะว่าเมืองพอเมืองพอไม่มีอะไรพิเศษนี่กว่าคาว่าพอ ลงคงนั่นบอกว่าลงจริงๆแล้วพอพอไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรประเสริญยิ่งกว่าคําว่าพอสุดท้ายก็คือคําว่าพอนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่เข้าไปถึงเลยเพราะอั น, นอันนี้มันเหนือกว่าแล้วจะเอาอะไรว่าอันไหนดีไปจับอันนั้นมาวางอันนี้อยู่ไปเลือกอันนั้นเลือกอันนี้อยู่ก็แสดงว่าสงสัยอยูสิอันนี้ดีหรือไม่ดีจับจะเอาค่าดีก็จะเอาเนี่ยถ้าไมาดีก็จะทิ้งอย่างเง ดีไม่ดีมันมันก็พอแล้วจะว่าไงมไม่มีอะไรดีกว่าคําว่าพอเนี่ยแล้วมันจะไปแตกอะไรคําว่าพอนี่เลิกยุ่งกว่าอะไรแล้วเขาว่าเลยใช้ความคิดอ่านมนาะเป็นเต็มที่ให้สงบด้วยยิ่งพะมีความสงบไม่ยุ่งอยู่กอบวุ่นวายทางภายนอกนะักให้พยายามใช้ปัญญาให้มากนะ ปัญญาจะพาก้าวเดินอย่างรวดเร็วนะเราจะประค่อยให้จิตเป็นสมาธิจนแน่นปุนเงเราจะออกข้างบ้านปัญญาอสงบขั้นไหนควรที่จะก้าทางปัญญาได้ก็ให้ก้าวให้ออกตามขั้นขนงนองตอคือคำว่าสงบมันความว่าสงบความหิวในอารมณ์ภายนอกที่มันยุ่งทําให้เกิดสัญญารมฟุ้งไปนั่นแหละมันเบาตัวลง มันก็มีทางที่จะพิจารณาทางด้านสัญญาเป็นเป็นงานของตัวเองได้มันไม่เตลิดเปิดเปิงเหมือนคนไม่มีสมาธิเลยแต่มาพิจารณาทางด้านปัญญานไม่มีสมาธิไม่มีอะไรเลยแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เป็นปัญญาโอ้ตายว่างั้างหนึ่งอย่ามาโกหกนะวางข้างนก็จินนี่มันหิวเต็มอยู่ด้วยความหิวโหยเจ้พี่กินาะอันนี้ให้มันเป็นปัญญาไปอันนี้เตลิดเปิดเปิงไปเป็นสัญญาไปเป็นที่เรียหมดนีมันจะเอาเป็นสัญญามาจากไหนที่จิตสงบที่จิตอิ่มตัวนี่ มันอิ่มจากสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่มันเคยเป็นมามันสงบสงบมา ก, น, กาน้อยเป็นไรนั่นอ่ะปัญญาจะพอก้าได้พอปัญญาก้าได้ผลปรากฏขึ้นมาแล้วเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะั่นก็กลับมาสูงขึ้นมาที่นี่ได้อีกเนี่ยปัญญาก็ฉลาดนั่นนั่นที่ว่าคำว่าปัญญาสมาธิปริพัพอิตาปัญญามหาพลาโหติมห้านีิสังฆาแต่แปลเป็นนั่ก็เลยก็เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วปัญญาเดินได้คล่องเนี่ยแปลอย่างนี้ถ้าปฏิบัติเรานะ ออืสภาพาปริญาณแปลอีกนะกลัวผิดศัพท์ผิดแสงผิดผิท่ามิพัตน์ตัดใจนี่เท่าอย่างผมก็ไม่ได้เดยนเป็นมหาก็ดดูถูกขมกันแปลแปลได้แปลอย่งนันทำไมจะแปลไม่ได้แต่ไม่โดนหัวขี้เดันสิแปลเอาโดนหัวขี้เด่นเราจะข่าขี้เด่นนี่นะอือเราไม่ได้ค่าศัพท์ฆ่าแสงคา่าท่ามิพัฒน์ตัดใจนี่นะเราจะข้าขี้เด่นแปผึงก็ยุ่งอย่างว่าเนี่ยมันเป็นยังไงมันชัดเจนไหมอือเมื่อมีสมาธิหนุนเนี่ยปัญญาเดินคล่องนั่น ถ้าเป็นถ้าแปลตามนั้นเราปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอริสูรมากนั่นท่นานว่างั้นให้ปริยัติเราก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ถูกแต่อะไรที่จะถนัดได้ฆ่ากิเลสนั้นเอานั่นแหะเป็นธรรมนะั้นขอให้ฆ่ากิเลได้เป็นธรรมพระพุทธ เ, เจ้าสอนให้ฆ่ากิเลนี่นะอุบายวิธีใดที่จะฆ่ากิเลได้เอานั่ น, นอุบายนั่นเป็นธรรมนั่นเอาตรงนั้นที่กิเลมัน มาในขณะตำราูุกวันหรือมันเหยียบหัวเราทุกวันนี้มีในกตำราทุกวันหรือไม่มีมันก็เหยียบได้ถ้าเป็นยิ่เด่นแล้วอันนี้เมืันเป็นธรรมแล้วไม่มีตาราก็เหยียบหัวยิ่เด่ได้เหมือนกันทําไมจะไม่ได้วะอ๋อมันอย่างนั้นใช่แต่อันนี้มันถึงใจถึงใจนะถึงใจตรงไหนยิ่งเล่นหมอกเออนั่นนี่นี่ว่าแปลเพราะคาดิ่เล่นทีนี้ก็ปัญญาปริยไยต่างจิตต่างสัมเด็จว่าอาเซหมุจติเนี่ จิตที่ปัญญาที่ปัญญาทำร้านแล้วย่อมดพ้นจา ก, ดดกา ท, งงที่เดือุ่การทั้งปวงที่เดือโดยชอบน่ะแปลแปลให้ได้โกงกับภาพปฏิวัติเลยแต่ถ้าแปลก็ทางด้านปัญญาก็อย่างที่ว่านั่นจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหดูพ้นจากที่เดืทั้งปวงโดยชอบน่ะแปลทางด้านปรัญญาที่หลัราันนั้นท่านวางเป็นพื้นฐานเอาไว้นั่น ใครจะแย่เงี้ยไปไงก็ตามไม่ห น, หนีจากหลังใหญ่มของเขาคือหลักข้ากิเลส น, น์ปัญญาคือเรื่ข้ากิเลนฟาลงไปที่มันจะถึงหัวกิเลกก็เอาลงไปที่อั่เอาอย่างนั้นนะสีและปฏิภายตัวสมาธิมหาพะโล้ห์ถิมให้สร้างโซนเหมือนกันคนมีสียจะมีความอบอุ่นไม่ระแวงแคลนใจเดือดร้อนพอให้เกิดสัญญาอารมณ์แล้วทำสมาธิไม่มลงหนักแพงนั่น แต่ก็แปลตามพระยา ก, ก็อย่างที่ว่าเนี่ยสมาธิอันศิลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากแปลอย่างนั้นอันนี้เราก็ไม่ค้านเพราะเป็นแบบฉบับอยู่แล้วนี่แต่ว่าสิ่งที่จะหาให้มันประจัจกษ์เจ้าของเป็นรฉ บ, บับเจ้าของบ้างเอาซิหาไม่ได้สี่นี่เรียกว่าผู้แสีงสอบเสียงหาธรรมนี่นะ อย่างพระแม่หัวใจแฝงที่ที่เราแปลนี่กับพระแม่หัวใจแปลนี่ไม่ได้ผิดกันนะแต่เราแ ต, แต่เราไม่ได้อา่านเอื่อมนะว่าเราประยกตนเสมอท่านนะนี่เป็นลักษณะที่คือท่านแปงท่านแปลผึ่งเลยไม่ผึ่งไงก็ท่านรู้ทำเห็นทำท่านเคยคาดกิเลสมาด้วยอุบายใดนั่นอุบายนั้นออกออกออ ก, ออกแล้วท่านแปลนี่โอ้ผึ่งเลย ทั้งที่เราเป็นมหาห์นะแต่เราก็ไม่เคยเห็นค้านท่านนะเวลาท่านแปลอ๋อนี่ท่านแปลโกรงตัวเลยนะนั่นมันยอมรับแบบงั้นเลยนะไม่ใส่ผึ่งเลยนะนี่นงั่นนะทั้งๆ ท, ที่เราก็เป็นมหาห์แปลยังไงเราก็รู้อยู่นีเจะเป็นมหาห์แปลแปลเราเป็นมหาหได้แต่ความจํา possible. ไม่ได้ความจริงเหมือนท่านท่านแปลงนั้นท่านได้ความจริงเอาความจริงมานั่นมันผิดกตรง น, นั้นนะ่ะถึงแม้ว่าโอ้องตัวเลยนะอน่ะมันยอมรับแปลนั้นมันไม่เคยค้านท่านนะ ท่านแปลแบบนี้ถึงเลยเข้าถึงตัวกิเลสเลยงายเลยงายเลยแปลรวดเลยด้วยนะไม่รวดเดียวไงสติปัญญาท่องตัวมาพอแล้วถึงออกมาอะไรจะมาขัดข้าศต่างทานกีดขวางสติปัญญาได้เมื่อปัญญาขัานนั่นได้ออกตัวนี่ท่านผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วจะไม่ใท่านข่องไงนั่นแล้ว ผู้ปฏิบัติท่านแปลคนพวกพวกเราพวกมนอนแท้กระดาษนมันจะไปยกโทษท่านนิดยกได้อยูอ่เพรแปลนีวางแปนี้ท่านแปลไปอย่างนั้นนั่นตามในหลักศาาเนี่ยมันจะว่างั่นนะทำไมแปลงี้เกิดเจอที่นี่หาว่าท่านแปลไม่ถูกป่าปะปาถึงเตือนไปนะก็ไม่รู้ว่าท่านเอาความจริงขอเราไม่เคยปฏิบัติเราก็ไม่รู้ที่ความจริงเป็นความปอัเป็นไงความจริงเป็นไงความจำเป็นยงไงเราไม่รู้ ท่านคนพระไกรวิโดกเล่นมา่อไรพ่อแม่กูยันมั่นโถ่ท่านเล่าให้ฟังคนพระไกวิโดกไม่รู้กี่ครั้งกันว่าหนุนหนักฟังสินะท่านจะมาได้มาได้ได้มาจะไหนคนพระไกวิโดกท่านไปอยู่ที่ไหนบ้างอยู่บ้านโป่งก็คนท่ามันว่างๆท่านว่าพระไกวิดกมีครบท่นว่าค้นท่านว่าแล้วอยู่ไหนนะท่านคนพระไกรวิโดก์ทนเล่าให้ฟัง เห็นเราเดือนหนึ่งสู่ท่านได้ไมาไรในหลักวิชาที่เดียนมาเป็นชั้นเป็นชั้นนั้นสู้ก็จะไปคนเรื่งขนาด น, นั้นได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องลาที่นํามาพูดอะไ ร, ะไรแต่เรื่องธาตุิพัต์ปัจจัย อ, อะไรอันนี้ที่จะยกขึ้นมานี่มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอ้าเราจะมายกธานุิพัตน์ปัจจัยวาโจอากียาตทิฏจีนี้ขี้เดียนมันหัวเราะตลอดร่วังเมื่อลาจะฆ่าขี้เดียจริงอันนี้ไม่มายุ่งเลยนี่ ฟ้านเข้าตรงนั้นเลยนั่นมันคนณละอย่างหนึ่งห่างนะเรายัา ง, ยางจะมาเป็นนอนแค่กระดาษอยู่นี่ในไทยพระใบใจนี้นที่เด็กหัวหลอดแล้เพราะมันอยู่นู้นเรามาเกาอยู่นี่เมื่อมันอยู่นู้นเราไปตดินตุบนี้ที่เลมอยู่นูน่ัวราอดท่านใสถึงเลยที่เด็กอยู่นั่นน่ะมันต่างกันหน่อยนี่อย่างยูง่ยสาวกโกสาวโกเนี่สาวสาวกเป็นผู้ฟัง นี่ขา้พวกมหาบเญนั้นนะนันเป็นธาตุอะไรคนี่ย่านี้หัเอาตั้งเขาว่ามาเนี่ยอันเทียนฝั่งด้ฟั่งนี้มันจะเปธาตุอะไรอยู่ไม่เป็นบายเนี่ยมันจะว่านนผมเปิ้เตีนฝังโมฟั่งเปิ้ลเตียนไปขายดีฟังเพื่อขันีิแ่ไหนไม่ใชั่เจ็อเอาธาตุที่ปัจจัยมันธาอย่างนี้อย่างตย่างฟังหอแล้วน่แมงโ เราจะขายกิเดนได้ไงี่เลนมันไปหาคนตาบ้าใจหรือไปร่าที่ตีหัวเราไม่งั้นแบหาคนตาบ้าใจมันฟัดหรือหลงผิดหลงเด่นไมีแต่พวกหลงผิดหลงเด่นพวกเราคือพวกมันมันต้องยกใจไปตาบ้ใจมากมันเอากรนแล้วเอากอย่างนั้นแล้าจะไปตีี่เดนยัไปหาคนท่านหรืว่าตาใจไม่ว่าอ่พวกเราพวกนั้นนอนแทะกระดานนะะมันต้องปุ๋ยละปุ๋ยละไปร่างเตาอุ่นนั่นกำลางมี บาเป่าวบาลป่าวไมเรียนน่เฉยไม่สนใจแค่จีเดตแต่ตอนนั้นที่มีวิสัยทัศน์หาที่เป็นาระธานผู้วิจารณ์ที่สัอย่กปัญหาก็ไปผู่วิบารณ์เถิดจึงนั่งผู้วิจารเธอจึงยืนผู้วิจารณ์เธอดจึงไปผู้วิจาเธอจึงมาบาลป่าวบาลป่าบาลป่าวทีพ่อแม่ครูอาจารย์แปลท่านแปลงานนี้นี่ก็เหมือกันมีหัวกิเลสบาลป่าวบาเป่าหัวลนเป่าะบัวตัวป่ากินป่าวนอนป่าวตายป่าวนั่นท่านแปลเห็นไห มีแต่ตั้งแต่ฟาดถึงหัวก่เลสมันเพราะพรนี้เป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นนอนเป่าเนี่ยหัวร้านเป่าไม่ได้ส่วนประโยชน์อะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันครอบหัวครอบหัวไปนั่นกินเปล่าตายเปล่าเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของกิเลครอบหัวออกครอบหัวอท่านตีเข้าไปตรงนั้นท่านท่านแปลท่าแปลนั้นนะหาที่ค้านท่านไดไงผมนี่ค้านมาได้ยิ่งน่ะพาแม่อาจารย์แปมันเข้าถึงใจเราของเลยท่านเอาเอาโปรฮิรัสมาแปล นีท่านปูจุฬามีเาก็เียบลานเต่าแปลว่าบาลานเต่าท่านไหนแปลเป็นงานที่บาลานเต่าหัวล้นเปล่าหัวล้านปล่าโอยเโอยยังจนเป็นลา่ไปลาย่งปล๊ากดปงถึงใจถึงใจที่เด็ดทลงพังลงยังนั่งทถ อาจจะฆ่าที่เด็กต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะรักษาสับแสงไว้ตํารับตาราไว้ก็เป็นไปตามแบบตันนี้ น, นเราก็ไม่ค้านอื่ไม่ค้านแต่เวลาที่จะลบให้มันเป็นเวลาลบทสอยาเป็นเวลานอนใช้กระดาษตลอเวลาสินี่คือธรรมเกี่ยวเนื่องชีววิทยาที่ปัญญา ยังพูดถึงว่าพอปัญญาจจะควรกล้าได้ยังไงให้ออกวิจนาหาอุบายคิดอ่านแต่ต่างเรื่องธาตุเรื่องขันข้างนอกข้างในมาเทียบมาเทียงกันอืมหลายตลบทบทวนนะไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวนะอย่างนู้นอย่างนี้สอดนู้นสอดนี่เรื่องของปัญญาพยายามคิดต่อไปมันก็จะค่อยมีแขนงค่อยแตกดีแตกกล้าให้มาทีนี่ที่นี่ก็ค่อยกล้าก็ได้ล่ะถ้าพอปัญญาได้กล้าออกแล้วเราที่นี้มีหวังมีหวังแหละที่นีนะ แตนั่นกันแน่นแน่แน่เข้าไปเลยนั่นอ้วนเนี่ยดูมากรวัดวัดอ้วนนี่นี่นอนอนอน น, น, น, น, น, น, น, น, น, นี่นอนนี่แก็แกอะไนี่แกไปทุกวันทุกวันว่างเลย เพื่อนฟูงก็มีแต่ตัดน้ำกั้นทางโดยเดินๆมไม่เปิดทางให้เดินได้ทำไงทำอะไราำจริงนนในวันนี้ผมพยายามไม่ให้มีงานเลยเพื่อจะเสริมทานจิตตะภาวนาเพราะไม่เห็นอะไรเป็นของสำคัญยิ่งกว่าภาวนาเป็นในหัวใจฝังลึกขนาดนั้นนะจริงต้องพยายามหยิดพยายามกันให้เรามายุ่ง แม้แต่แขกคนย่าโยมใครจะมายุ่งกับพราในวันนี้ไม่ให้ยุ่งว่าไงนู่นนะผมรักษาขนาดนั้นต่างคนตื่นก็ออกมาเดี๋ย ว, วก็ผมผู้พ่ยรักษาหมู่เพื่อยนั่นตรวาด้วยไม่กอบความเพลี่ยนเป็นของต้องคันมากวันหนึ่งวันหนึ่งมั น, น, น, นฟัดเรี่อย่างนี้ตลอดเวลามันจะทนได้หรือเปล่าเมื่อเราตีเราไต่ตลอดมันก็ต้องบอกฟ้องช้ำดี มันควรเก็บมันก like, ็ต้องเก็บม so ันควรตายมันก็ตายได้ทำไมมันจะตายไม่ได้ยืนกี่ปีเนาะนึ่งเกือเกือบสามตุ่มได้เนาะหมดแล้วยังมียาหมดแล้วยังยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนหนึ่งพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนหเดือนวันนี้วันเแลมคอมพอดีแล้วนะไม่ถึงไม่ถึงไหนมาเดือนหนึ่ง แล้วมันไม่ได้นับอะไรไม่ได้สนใจเลก็เห็นได้เมื่อกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงอีกใครจะว่าบ้าก็ว่าสิเขามันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่รา่จะนับแต่ละน่างานก็นับมาหยีตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกคภานับมากับนับมานี่มันได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันจะมีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนเองโอ้ยจะหยุดแต่เป็นอารมณ์แย่กับมันนะความหวังนั้นมันเป็นบ้านย่านก็คือว่ากิเดสนำพาให้หวัง มีแต่หวังแต่อย่างนี้หวังอยู่หวังเงินเขาไอผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังมีแต่เจ้หวังเงินเนี่ยจากมือกับย่างที่กันวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นยังไงปีนัจะเป็นยังไงโอ้โหหวังอือมมันก็เพิรนในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังมีอันหนึ่งเขาไปตัดปุ๊บเขาไปหยไปจับทีนี้เลยทีเหมือนเขามีกล้องมันไปจับปุ๊บ เพ <c oughs> ินอะไรเป็นบ้าเลยวะเขาจะว่าเขาจะว่าเรบ่ายเพิ่นอะไรเป็นบ้าเลยมือกับแี้งนี่มีมาทั้งกับตั้งกันแล้วนี่นะเพินอะไรเลยนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะเนาะความจริงเป็นนะั้นพิจานณาจิ อ, อ, อมันถึงคือเขตถึงแดนของโลกของสมมุติของวิมุติเต็มส่วนทุกอย่างแล้วมัน เดี๋ยวทำยังไงมันก็เปนน็นอย่างนั้นอยู่นี้จะว่าไงถ้าจะว่าอะไมันก็จะเป็นไปตามเอ้าวจินตรงนั้นมันมันมันไม่เป็นไปตามเขาเหมือนย่างโลกนี่ยใครจะว่าอะไรมันไม่เป็นไปตามมันเป็นต้องวันนึงนั้นหนึ่งกับย่างหนึย่างนี้น ม, ๆๆนมันจะเป็นไปตามไข่ร้อนก็ร้อนอยางหนาวก็หนาวเว้นวันดีงั้นเราเป็นบ้าดิ้นตาอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูก ไม่ปรับจะบินกับมันไปปรับตัวงเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะพอดีหมดนะมันไม่ปรับนะพระพุเจ้าอิ่ดปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่สวนภาษาทพวกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละแต่ถ้าอ่อนๆก็ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาพอดีอม่มีขันที่ทัานก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะ ถ้าท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปอดูก็ทําไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่มีขันอยู่เป็นอยู่ธรรมด า, าก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายตายก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วอะไรเรื่องวุ่นหนเรื่องโลกเรื่อ ง, งทังหมดคิด น, นั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไร เคยเสียแจ้งมาพอเลยอนะ่ะไม่ได้ปเสียแย จ, จ้งอะไรเกิดตัวแตกจากไทกันนี่แล้วพวกแบบนีนะ่จะมาเสียแจ้ง อ, อะไรอีกข้าราชาร อ, องค์ไหนที่ท่านได้บรรลุธรรมถึงขังน้นอาลัยไปแล้วยินไหมท่านมาเสีดาสมบุญเคยมีไหม มีพระราหานองไหบ้างที่แหวกแนวว่าเป็นอย่างนั้นหน้มาตั้งแต่พระทีเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์แล้วภาษาวกของพระเจ้าแต่ละพวะองคนั้นนับไปกี่ล้านล้านล้านล้านล้าน้านหรอมีองคไหนแม่องคหนึ่งยังมาเสียดายโลกท่านหลงท่านท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมันอยากหลงอีกมีองคไหนมีนานค่ไม่นั่นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไงจะเรียกว่าเลิศได้ยังไง ถ้ายังจะมาหลงมีเอาไรงแรงมาเลิล่อนนะนั่นก็ไม่ผิดกันกับสมมุติเลยถ้าจะมาหลงสมมุติสับสมนต้นเตงกับสมมุติงั่นจะมาแสดงสมมติอย่าเหรอทที่จงมาทํทาสูตรเอื้องของคนมีวิเลศนะมันก็มีข้อแม้อย่างนั้นทาสูตรเอื้องของสูตรเอื้อมของคนมีวิเลศเนี่ยทพอเหมาะพอดีของท่านพูดสิ้นไปแล้วนะ ท่านมาหลงอรตีมันก็เป็นอาฐานะณเหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขนาดที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถานะมันเป็นไปไมได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่งเรารับทานชันอะไรมันมันยังไม่ถึงขั้นอิ่มึ้าจะให้อิ่มในขนาดนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องชันไปทานไปโน้นกันไปมันก็ถึงขั้นอิ่มเองแน่อันนี้ก็เหมือนกัน หนุนไปหนุนไปเรถึงขั้นหนนเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันเป็นสถานะของทําขั้นนั้นแล้วเรามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นสถานะอยู่จะให้รู้เดี๋ยว น, น, นั้นไม่ได้เนี่ยเราอาจารย์กินนะอาจารย์บริการผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทเจ้าเป็น อันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อาจจะจำจะว่าได้สะดับจากพระเจ้าก่อนส่วนบระพุทธเจ้าแต่ละโพลอง น, น, นี่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทําความปรารถนาตะเกียรตะกายมาอย่างที่พูดจนีงเมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยาผูนะทรงรู้เองถึงขึ้นเลยดีขึ้นเลยท่ากลาง กิเลสที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินกิเลสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นจำเลยกิเลสหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนเสยามพูก็คือรู้เองเป็นเองง่ายๆเหมือนชาวโลกนั่นต้องได้ ย, ยินได้ฟังสารวัตกรก็ในระดับได้อุบายาาาาาวิธีการจากพระพุทจ้าแล้วกัน ถึงจะได้นำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามจริงสมณะอะไรอย่างเงียมันมก็ค่อยๆเจอไปเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเอางไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทัง้ง น, นั้นเป็นยังว่างง่ายกับยาตสางกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็น ง, ง่ายฉเฉลยออกอาามากเลยแต่เป็นกระสับเนี่ยฉเฉลยออกไป ต้องพันไหวหกเจ็ดวันเขาันรลุก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ต้องตราบร้อตามความจริงที่ของพระองค์นั่นเองท่านไ้่มีเอี่ยมมันบอกว่าท่านลาบากท่านก็บอกว่าท่านลาบากแค่ชนท่านก็น้อยนีท่านก็บอกว่าน้อ ย, ออยแค่แปดสิบถึงแปดสิก็ผึงเลยใช่ไหมน่ะผิดตรงไหนเอโกนามาจริหนึ่งไม่มีสองพระยามอย่างาชาติชาติเดียว ไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเดียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยตามท่านท่า น, านเสด็จที่ผู้ไม่ไปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความตัดความริงเต็มสัดส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะจะเข้าใจในทุกเวทนา ว่าพระองค์ทรงสวยตัวเวทนาในเวลาที่กําลังเสด็จไปตามาๆที่ว่าทรงเหนีดหน่วยนั่นไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะถ้ารับสั่งพระอนุอนพรอนุนไปต่างน้ำต่างลาคนดื่มตาค้นกหายน้ำมากเนี่ยอีกนหนึ่งตาก้นร่างกายสังขารติดตาก้นหน่วยมากาก็บพัก ภาคสังคาติราศือคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่ารากแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับต่างว่าไหนก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองราศนั่นเองเราเพียรมากเลน้องนั้นะเราจะพนะักหนักนี่ต่างน้ํามาให้เราดืนะ่มเนยเราขายน้ํา ม, มากนะ ที่นี้เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่กีเราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแตะขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้ที่ฆ่าสวยทุกเคฤดนาไม่สวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอนุนได้ยังไงนานวันผมได้ยินจนสะดุดกึ๊กเลยถ้าจะพอสองสอง อาจจะพูดอาจจะโต้อตอบกันอันนี้รู้ไหมฟังเฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสําคัญ ว, ค ว, ว่าวงก็สวยตุกเลยนะไม่สวยพวงจต่ว่ากันในไหนขนาก็ขันมันยังเป็นได้ทําไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทําไมจะว่าไม่ได้หรากมันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้นั้ น, น, นพุทธะที่ ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะด้วยที่เอาว่ามันยังนี่อยู่นี่ม่เห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกําจัดที่ออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสินะมันั้จะไม่รู้อะไรเป็นไรอะไรเป็นไรหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วเคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นตับขันนี้เป็นนี้ มันก็เป็นนั่นแหะแล้วทําไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนนะ่ะนั่นว่าไม่ว่านี่นคึกคักสุดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันไปจักใน ห, หัวใจนี่ว่าเขาจะว่าบ้าก็ตายมันอาบหารที่จะพูดก็หนีหนาวอย่าว่างนั่นตาบอดไม่ดูหรออืออ ย, อย่าว่างอั่นพระยาท่อนสอนว่ายังนี้ล่ะท่านสอนให้ตาบอดเห ร, อหรือสอนให้ตาดีถ้ตาตาดีก็มีน้ำเห็นซี ยังที่ขนว่าอย่ากนี้จะว่ากันนะนี่แล้วลา่ันเสดไปในตำราอนุอนนนลักษณ์สังกัดเราจะพักก่อนเําเคลียมากเกลียตำทนขันถ้าพูดตามคำน้อยเหมือนกันถ้าพูดตามประถางเราสมัยนี้วันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้อพักเครื่องมาหน่อยอเครื่องมันร้อนมากาว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไร รถมันร้อนมากต่างหากรถหมดหน้ำเอาน้ามาเติมหน่อยเลยเ <c oughs> นี่ยพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาเดินทางเขาเดี๋ยเขาพูดกับรถเดินรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้นี่มันก็เหมือนรถเนี่ยเหมือนคนขับอาน้ำต่างน้ามาอะไรดื่ม ก็หายน้ำคือว่าขันนี่มันต้องการน้ำอานนท์ถ้าจะพูดตามหลักคนอนติแล้นขันนี้มันเหนื่อยอะไรกันได้ข้างหน้าข้างหลังอย่นี้มัอตวเดอยวกันรูปเป็นฐานสถานการณ์นิยกอาการห้านีมันอยู่ด้วยกันเป็นสมุุิ ยิงมีอันจางทุกงหน้าตาติดแนบไปหมดอันจางทุกขาหน้าตารูปฟังอันจางเนี่ยนายอีจานเนี่ยไปหมดติดไปนั่นเนี่ยเนียหลังมาถึงขัดไรู้แล้วทำไมมันก็รู้อยู่ว่าไม่แม้รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่งั้นรม่อยู่งั้น จะไปคัดแต่ค้างไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้งไงก็มันจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้ <c oughs> ไม่เคยรู้อย่างที่ว่าวิจารวรีทรงสวยทุกอย่าะไม่งั้นท่าจะพูดอัานจะรับสังว่าราภทางกาติเงินอันนันเราเหนื่อยมากได้ไงเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าขันาการรถเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องรถมันร้อนมากมันจะพังมันจะไม่ถึงที่แหละน้ํามันหมด พอเติมน้ำมันแล้วลดเครื่องมันเย็นแล้วติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่รพอพักจนกว่ น, นั้นก็ไปจนถึงที่ปริวิรผ่านวังน่ในไหนนั้งเนี่ยจ น, น, นั้ น, น, นสร้างวาระสิทธิ์ไทยเหมือนกับพักท้าชานประวัตถามเน่ใครยังมีข้อความใจนใจิสัยเรอีกเนาะพูดมากพอไม่มีใครว่าอะไรแล้วก็ ทรงทำหน้าที่ปริญญาผ่านเพราะถึงเวลาแล้วนะเห็นไหมท่านองค์ท่านพระท่านที่ตรงไหนทํานหน้าที่ปริญญาผ่านก็ไว้รลวง大爷ให้เป็นองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมมชานพระปิยชานเรื่อยนะผู้ตามก็ตามเต็ม น, นะพาะนุชะตามพระกิจของพระเจ้าสเสื่อเข้าปฐมมชาน ทุตีชานตาตีชาณจตุตีชานแลตามเรื่องอยูเป็นรูปชาญสออกจากนั้นก็ก้าเข้าสู่อรูปชาญสี่อากาศสามจานณวิญญาณจาญาณจินตัญยาณนาเนสัญญานาสัญญาณจนก้าวขึ้นไปก้าวไปจนทั่งเป็นสัญญาเวทายุตานโรธสมาบัตทำงานดับสัญญาละเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนา คือทุกเวทนาในธาตในขันยันหมดแม้แต่มาที่เวทนาในกิตเยลาในขันอาการป่วยพระชวนน้องโง่หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีชานเราอ่ะยังตัวเท่าในปั่งเราอ่ยังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับเมื่อไหอย่างที่เราพูดมัน พอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนสักตัวรู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเยอะไม่มีเอะหูก็ไม่ใช่ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตอนเกินไปแล้วนะตาหูจมูกลิ่นกายเป็นธรรมะทาําเกนไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นต่แล้วนั่นมันยังรู้รอยู่ว่างไง พรพเจ้าจองคกสักดาแล้วเพื่อแม่ทันรู้ใดไหนน้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดอเวลาถนะ้าหาว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลยร้อเป็นถอยออกมาก็ไม่หมดเลยออกมากเรื่อยอย่างนีนยพระเจ้าพุทธิพนันะ่นหรือเป็นพระอานนท์ถามอะไรนินนพพานวิลิผมก็มไม่ทราบลืม แต่ก็คุณทราบถึงว่ามีพระท่านถามมันอยู่ในรงอังก็มันตนมนันเผื่อนะ้ถามยังนี่พระนุษย์ถามมันน่ะให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมชาติถ้าศูนย์เนี่อะไรคก็กล้าเข้าไปแล้วจิตเป็นจิตบริสุทธิ์คือนุเบ้ยงแล้วจะจิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์กล้าเข้าสู่ผสมธปรมะผสมธรรมะ ก็จ <sc mile rolls meme> ิตที่บริสุทธิ์เก้าเห็นไหมศูนย์ไหมลูกติลชานติลชามจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาท่ขาจะรูว่าไม่ถึงพรจิตที่บริสุทธิ์นนทั้งนั้นเก้าเลยก็ไปนั่งศูนย์ถ้าศูนย์อะไรปาเก้าเนืออะไรไปข้าสัญญาตเป็นถอยมาถอยลงถอยลงทั่งถึงกรจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วเก้าครั้งที่สองเนี่ยเข้าธรรมชาตพอออกจากทานศีรูปไปทานศีลแล้วมนีออกแลน่าสมมติ รูปปางสีก็เป็นสมุดรูปประชางสีก็เป็นส ม, มุดพเมมก้าท่ากลางนี่และพุ่งบอกเลยงานอาเรื่องที่มือมีภาพถึงแล้วแต่ว่าขงมิ้งพิจาไปอยู่ที่ตรงไหนละ่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคถึงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้นนนตรงนั้นตรงแม่ทามิตรยศานิ่มชามนั้นบิดชามมันมีที่ภาคถึงพอที่จะว่าเลยพระจิตที่บริสุิ์นั่นแหละอยตรงนั้นตรงนั้นเพราะออกทางนี้ไปแล้วเอนี้ผ่านแล้วงาน ว่าปริพาน์แล้ ว, ลวท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นพระเ่งแล้วไม่สงสัยว่าปริพาน์แล้วปฏิพานธ์ยังไง่สงสัยอาข่าอะไรเน่เวลาแต่ปริพานธก็ส่งไว้ดวดลายของศัตรูได้เตที่เลยมีว่าสัไม่ดวดลายทัานสุดท้ายเต็มภูมิสัตรเวลาวางั่นเถดเพราะปุทิทิใสเป็นต้องันมาก เวลานมันความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเรานี่มันมันกุดมันด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะนี่ทำไม ม, มันนักจนยิ่งเดินมันน้าวันดื้อข้างเขานาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพูดหรือเปลทั้งพ้าทั้งหนึ่งทั้งฆราวาสหนาแน่นก็หนาแน่นก็ให้มีความหนักแน่นแบบเชื่อถือ สิ่งที่เป็นธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาแล้วจางจากสารธรรมนี้ไปเป็นลาดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันโดยการเป็นความลื่วด้านก็นมาแล้วนี่โอตอป่าเลยไม่มีนี่พี่หน้าพระฤๅษีเราก็บวชมานี่ไปกี่ปีก็ดูดูจินยาอาการของพระของเนรพอดีของใครภครหรือา มันเป็นระดับหนาเป็นเกี่ยงมาจนกรทั่งปัจจุบันนี้มันนี่ได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็ดกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งแห่งชาวพูดทั้งเรามันเป็นอะไรมันเป็นอย่างนั้นจีว่างเลยเพราะเห็นมันแปลกต่างไปโดยดั่หนาเนี้ยมันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าใต้ธรรมเห็นธรรมมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจีว่าง มันนี่ก็ได้ชื่อเด็ดทองช่เด็ดูของชืเด็ออเ ด, อ, ด, อ, ด, อ, ด อ, อ, อันนี้เผาเยอ่เวลาว่างเวลาว่างอันนี้ไม่ไม่ฉันอนุญาตทำหมโเลยเอาน้ำมาอะไรมากมายนั่นมันเนต็มเลยเลลาให้ไปกินเลยนะของอย่างนี้อะไรอะไรใช้คไปใช้เลยนะอย่ามาถามอย่มาบอกมาขอเรานะ แต่รับปกิณณ์ได้ไม่ว่าอะไรเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามหลักของเราซึื่องนี้หมู่เพื่อนอมผู้ดูดูแลบางทีเอาไปใช้ไปสอ่แล้วก็เอาไปตามหลังตามหลาวเลยเอาเลยนะธรรมะ